ที่ผ่านมาได้ไปงานอาจจะรับบูชาหลวงพ่อคำเขียนอย่างที่ทราบกันก <c oughs> ็ในช่วงที่มีงาน น, นก็มีกิจกรรมหลายอย่างแทรกเข้ามาช่วงตอนกลางวันก็มีนักวิชาการมั้งเป็นอาจารย์ ชาวเยอรมันที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาด็อกเตอร์มาตินซีเกอร์ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักจากผลงา น, นาการสัมภาษณ์ท่านเจ้าคุมพรมคุณาพรมเรื่องพิสุนินีด็อกเตอร์มาตินก็สนใจเรื่อง บทบาทของทิศุนีบทบาทของอุบาสิ ก, กาในเมืองไทยทั้งที่เป็นไม่ชีแล้วก็เป็นคลือหัสผู้คองเรือนผลงานหนึ่งที่อนอกเตร์มาตินงกับเพื่อน คนไทยนะคุณนริตจรัจัญญาวงได้มาเปิดเผยแล้วก็เผยแค่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจงคนวงกว้างแต่ว่าในหมูม่คนที่สนใจธรรมะเนละยเพราะธรรมะของที่สืบทอดกันมาสมัยเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วเนี่ย ก็จะสนใจแกไปพบว่าหนังสือเรื่องธรรมานุธรรมปฏิบัตินะซึ่งเคยเชื่อกันว่าเป็นหนังสือที่เป็นการสนทนาบันทึกการสนทนาระหว่างหลวงปู่ ม, มั่นนะกับ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนะจูมันทุโลลูกสิทธ์เนี่ยแล้วก็เผยแพร่พิมพ์แจกันไม่รู้เท่าไหร่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะในช่วงยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาบอกกันว่าผู้เขียนจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณหญิงใหญ่เมธีธรรมสาร อซึ่งก็เกิดเมื่อร้อยสามสิบปีที่แล้วนะก็หลังอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลังสิบกว่ปีได้แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อมาสักแปสิบปีที่แล้วนักมาตินนักต่อนมาตินนี่ก็ตามติดเรื่องนี้มานานเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นบทความแล้วต่อมาพ่อหลังก็สนใจ ก็ เ, เขียนเป็นอางานวิชาการแล้วตอนนี้กำลังจะทำเป็นหนังสือรวมทั้งทำสารคดีนะเป็นวิดีโอก็เลยมาขอสัมภาษณ์มาขอสัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องคุณหญิงใหญ่เป็นการถามความเห็นมากกว่าเพราะว่าข้อมูลในแรล่งตานี่ ด็กอกตร์มาตินี่รู้เยอะอยู่แล้วนะทั้งสองคนนี่ด็กอกร์มาตินกับคุณนาลินนี่ก็เรียกว่าเจาะค้นคว้าอยู่นานจากนกรทั่งได้เรื่องราวได้ประวัติของคุณหญิงใหญ่ได้อย่างค่อนข้างละเอียดละเอียดในที่นี้ก็หมายถึงว่าทํำไมรู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เป็นใครนะศึกษาปฏิบัติอย่างไรบ้างนะแต่ก็คงไม่ละเอียดมากถึงขนาดพิมพ์เป็นหนังสือได้เพราะวา่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีการบันทึกกันเท่าไหร่กว่าจะได้เรื่องราวของคุณหญิงใหญ่มาก็ต้องไปสอบถามคนนั้นคนนี้คนเท่าคนแก่ได้มาเล็กๆน้นๆก็มาปฏิปตอกันเหมือน เหมือนจิ๊กซอส่วนถ้าไปเก็บเก็บเล็กเก็ดน้อยมาจากหนังสือหนังหาอย่างเช่นไปเก็บมาประโยคสองประโยคจากบันทึกของเจ้าพุทธทาสนะเรียนให้สัมภาษณ์ในเรื่องเล่าไว้ในัยสนธิยาเนยก็พูดถึงคุณหญิงใหญนะ่ประมาณสองสามประโยค แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอหนังสือเรื่องธรรมานุ้ธรรมปฏิบัติที่อนัเกเลงหนังสือธรรมารู้จักดนีนี่นาจะเป็นผล ง, งานของคุณหญิงใหญ่นะคุณหญิงใหญ่นี่เป็นที่ว่าเป็น เ, นเรื่องราวที่น่าสนใจที่อพวกเราชาวพื้นก็น่าจะได้ศึกษาได้รู้จักเอาไว้ด้วยถ้าเป็น เรียกว่าเป็นลูกของเป็นคนชั้นสูงนะเป็นลูกของรัฐมนตรีเซนาบดีสมัยรัชกาลที่ห้าหรือมั้งแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะก็ต้องเรียนกันนะในในสำนักหรือว่าในในบ้านแต่ว่า คุณหญิงใหญ่นี้สนใจธรรมะ ต, ตั้งแต่เล็ก น, นะเล่าว่านี่อายุตอนเป็นวัยรุ่นนี่ก็ท่องคาถาธรรมบทได้หมดนะคาถาธรรมบทนะอันนี้ก็เป็นคมภีรเลยนะคมภีร์ธรรมบทเป็นส่วนหนึ่งของปฏิปดกที่พุทธภาสิต ท, ที่เรารู้จักนะหลายหลายบทนี่ก็มาจากธรรมบดนะอัตติเยตโนนาโถอะไรเงี้ยเป็นต้น หรือว่ากิจที่ฝึกไว้ดีแล้วนำสุขมาให้มีทั้งพาสิทธสั้นพาสิทธยาวแล้วผู้ิงใหญ่เนี่ก็ท่องได้หมดตั้งเ่องเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีความสนใจด้านด้านด้านปริยัติมากสามารถที่จะไม่ว่าแสดงธรรมสอนพระไดเ้เมื่อโตแล้วเนี่ย แล้วก็เป็นผู้ที่ชอบไปมาหาสู่ไปสนทนาธรรมหรือว่าไปศึกษากับพระผู้ใหญ่หลายท่านในของฝ่ายธรรมยุทธนะ์นที่มีชื่อในเรื่องของปริยัละปฏิบัติเช่นสมเด็จพระสมเด็จสมเด็จที่วัดสุดวัดประเทพสลินนะวัเทสลินแล้วก็วัดสมนนะ พระวันนั้นรทัพแล้วก็สมเด็จเจริญองค์หลังนี้อาจารย์พุทธทาเคารพมากนะเพราะว่าแม้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นชั้นสมเด็จหรือว่าว่าการสังฆราชเลยแต่ว่ายังเสด็จไปเยี่ยมอาจารย์พุทธทาที่สวนโมกสมัยที่ท่านยังไม่ดังเพราะฉะนั้นอาจารย์พุทธทาก็ยังหนุ่มอยู่นะยุสามสิบกว่ากว่ายัางเด็นั้น ส่วนสมเด็จท่านนี้ลำแปดสิบแล้วเดินก็ไม่ค่อยสะดวกนะแต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระมหาเงื่อนนี้มีความรอบรู้แล้วก็มีความคิดที่แหวกแนวแต่ว่าความคิดที่แหวกแนวในเชิงการเผยแผ่ธรรมะนะแต่ว่ามีความก็จะธรรมะลึกซึ้งก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พระจ้าพุทธาก็เลยมีความเคารพนับถือมากนะสำหรับพุทธโคศรัจจานี่คุณยญิงให่นี่เรื่องการปฏิบัติก็ก็เรียกว่าก้าวหน้าเหมือนกันนะพระนี้ก็นับถือแล้วเขาก็เลือนว่าท่านสามารถที่จะระลึกชาติได้ แล้วก็บางคนก็เชื่อกันว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงใหญ่นี่เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งท่านก็เขียนหนังสือออกมานะห้าเล่มเล็กๆนะซึ่งซึ่ ง, งเรียกว่าหายากมากนะต้เตร์มาติงกับ น, นลินเนกุษาดานด้นไปหาเจอจนได้หนะนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เมื่อแปดสิบปีที่แล้ว คนเขียนนี่เขียนโดยที่ไม่ระบุชื่อไม่ลงชื่อไม่ลงชื่อว่าใครเขียนซึ่งเหมือนกับว่าท่านอาจจะเห็นว่าเรื่องธรร ม, มานี่นะไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ว่าใครเขียนอาจจะเป็นเพราะว่าธ ร, รมเนียมของสมัยนั้นเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยนะ ไม่ไม่น่าจะรู้ธรรมะมาแล้วท่านคงไม่อยากจะประกาศตัวหรืออวดตัวได้ว่ารู้ธรรมะสมัยนั้นเนี่ยแปดสิบปีที่แล้วนี่ก็มีความเข้าใจนะ ว, ว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของพระส่วนโยมก็ทาบุญไปนะหรือไม่ก็รักษาศีลยย่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนี่ก็ ก, ก็คิดว่าเนี่ย ผู้หญิงจะเรื่องการศึกษาธรรมะเรื่องปริยัตนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่นาที <c oughs> อันนี้เป็นประเพณีนะที่ที่ยังค่อนข้างมันคงแน่นหนาในสมัยนั้ น, น <c oughs> แต่คุณหญิงใหญ่นี่เรียกว่าแบกแนว <c oughs> แล้วก็ความรู้ธรรมะก็มากเ <c oughs> ออ ม่ชิคีนานายจนก่เขาวสวนหลวงเนี้ยก็คนเป็นคนรุ่นหลังก็ยังนับถือเลยนะว่าันรู้ธรรมะได้ดีท่านเขียนหนังสือธรรมะเนี่ยห้าเล่มก็เป็นเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งนะแม้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแต่ไม่ลงชื่อว่าใครเขียน แ้วคนอ่านก็ก็เลยนึกเอาว่าเป็นพระเขียนแล้วพอต่อหลังก็มีการเผยแพร่โดยในช่วงสามสิบปีหลังเผยแพร่เอาห้าเล่มมาพิมพ์เป็นเล่มเล่มเดียวกันแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติอทีแรกก็พิมพ์โดยที่ไม่ระบุชื่อว่าใครเขียนเพราะไม่รู้ว่าใครแต่ต่อหลังคนพิมพ์นี่ก็บางคนก็เป็นนึกเอาว่าหลวงปู่มั่นเขียน หรวเป็นบันทึกการสนทนาของหลวงปู่ ม, มั่นกับลูกศิษย์ยก็เลยเติมใส่ชื่อหลวงปู่ ม, มั่นเข้าไปอันนี้พอใส่ชื่อหลวงปู่ ม, มั่นคนก็ยิ่งอถือเป็นเรื่องที่ต้องเผยแพร่เพอเชื่อพระหลวงปู่ ม, มั่นเป็นอรหันต์คำพูดทุกคำของท่านเนี่ยก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยนิยมพิมพ์กันใหญ่เลยนะ งานศกงานผ้าปางานทอดก็ทิ้นหรือว่างานอะไรก็ตามตอนหลังก็พิมพ์ปกแข็งพิมพ์ปกแข็งให้ดูให้ดูสมฐานะที่เป็นผลงานของปู่มั่นจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็คงซาไปแล้วพอรู้ว่าไม่ใช่ผลงานหลวงปู่มั่นนะแต่ผลงานของอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่ง คนไทยเรานี่เราก็ให้คุณค่ากับพระมากกว่าคาราวะเพราะว่เป็นผลงานคาราวะก็ความความตื่นเต้นหรือว่าความรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็น้อยลงนั้นตอหลังทั้งสือธรรมันธรรมบัิปฏิบัติในช่วงสองสามสี่ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีการพิมพ์เผยแร่กันอีกแล้วส่วนที่พิมพ์ก็ยังพเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานหลวงปู่มัน อันนี้ก็แสดงว่าความรู้ธรรมะของท่านนี่เรียกว่าในวันในเชิงปริญาปฏิบัตินี่ก็ถือว่าอ่าสูงพอที่คนจะเข้าใจว่าเป็นผลงานของหลวงปู่ ม, มั่นทีเดียวหรือเป็นผลงานของพระอรหันต์เรื่องเล่าของท่านนี่ก็หลังตั้งก็เป็นผู้คองเรือแลนะ้วก็มีสามีนะแต่ว่าสนใจธรรมะมากกว่า ตอนหลังก็บวชพอสามีตายก็บวชชีไปปฏิบัติอยู่เถวลาดบุรีแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุห้าสิบแปดนะก็ยุ่ไม่มากวันที่เสียชีวิตนี่ก็สนใจมนะสุดท้ายเนี่ยอาการก็แย่หมอก็มามาตรวจแต่แล้วหมอก็พูดว่าเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนะแม่ชีก็บอกว่า หมออย่ามาปลอบใจฉันเลยคือรู้อาการดีเสร็จแล้วก็ไปบอกว่าข อ, อนิมนฑ์ให้เปนิมนต์พระมาหน่อยนิมนต์พระที่คุณนเคยพาท่านมาท่านก็คุณยิงใหญ่ก็บอกว่าข อ, อนิมนต์สวดบทนั้นบทนี้คือพระไม่ได้สวดเองนะแต่ว่าคุณยิงใหญ่เนี่ยไม่ชี้เนี่ยนะรู้ว่าบทไหนที่อยากจะน่าสวดก็ อราธนะให้สดวดบทนั้นบทนี้นะก็คงจะเป็นบทที่สำคัญนะเช่นบทพูดชงหรืออาจจะธรรมจักรหรือว่าปฏิจจังนะบทที่เป็นธรรมะขั้นสูงพอท่านสวดจบก็มีการสนทนากันเล็กน้อยนะเสร็จแล้วก็เมื่อสนทนาเสร็จนะแม่ชีนี่ก็ ก้มกรบาบพระแล้วก็บอกว่าขอขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่นะเสร็จ แ, แล้วก็สิ้นชีวิตตอนขณะที่ก้มเนี่ยฟุบเลยไปนะก้มเสร็จแล้วก็ฟุบไปเลยเรียกว่าตายในทาก้มกรบาบพระพานยนงแปลกใจอ้าตายแล้วหรือเนี่ยเมื่อกี้ยังพึ่งคุยกันอยู่เลยเรียกว่า มีสัมปชัญญะมีสตินะตลอดนะรู้ตัวตลอดนะขณะที่ว่าใกล้จะตายเลยยังสนทนาธรรมได้แล้วก็แล้วก็รู้ว่าใกล้ะถึงเวลาแล้วพอรู้ถึงเวลาแล้วก็กราบพระเลยกราบพระเสร็จก็สิ้นลมตอนนั้นแหละนะถ้าที่รู้นี่มีมีพระที่มรณภาพในท่านี้เนะี่ย มีมีท่านเดียวนะคือหลวงปู่เสากันตาสีโลท่านพอรู้ว่าอาการหนักแล้วก็ให้พระมาพามาทีา่ที่โบสน์นะหลวลงปู่เสากราบพระกราบครบสามก็ก็นิ่งไปเลยนะ คนที่แรกรู้ว่าหลวงปู่นั่นหลับไปหรือไงกาบแล้วไม่กาบแล้วไม่ลุกเนะี่ยบอกว่าไปแนละ้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่ า, าคุณยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็เป็นคนที่มีธรรมมากพอสมควรนะเรียกว่าอาจจะเหนือกับพระทั่วไปนะด้วยซำนะ้ำแล้ว อ, อาจจะอยู่ในระดับเดียวกันกับพระที่ เ, เป็นนักปฏิบัติ สมัยก่อนพระที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในเมืองกันทั้งนั้นนะทั้งนั้นนี่หมายหมายถึงว่าที่อยู่ในเมืองก็เยอะนะไม่ได้ไปอยู่ในเมืองทั้งนั้นสมัยที่หลวงปู่ ม, มั่นยนะังไม่ดังเนี่ยพระที่ในเมืองในกรุงเทพก็มีพระที่ไดเรับกันยกย่องนับถือว่าเป็นพระปฏิบัตินี่อยู่หลายรูปอย่างที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยสมเด็จพระวรนรัตทับ ตัเซนคัโุโคสัจจานเจริญเนี่ยส่วนพระวรรณรัตน์นี่ก็อยู่วัมโสมนัสสมเด็จเจริญนี่ก็อยู่วัดเท็กซ์ลินส่วนเจ้าคุณนอวัดเทเฟิง ก, ก็เริ่มจะดังแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ก็มีเรื่องการเรื่องพระนปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปหาในป่าในเมืองนี่มีเยอะนะทั้งฝ่ายธรรมยุทธทั้งฝ่ายมานิกาย แล้วก็ความเคารพความนับถือหลงพ่อพป่าก็ยังถือว่าน้อยอยู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นคนก็ยังไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยมอีไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งแนมะ้แต่พระสงฆ์ด้วยกันก็ไม่ค่อยสับสนุนนะหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงปู่สิงห์เนี่ยก็ มาจาเล็กที่ไหนก็ไล่ไปที่นั่นไล่ออกไปจากที่นั้นไม่เคารพไม่นับถือนะนับถือพระที่ในเมืองแล้วพระที่ในเมืองก็มีความมีประสบการณ์การปฏิบัติเรียกว่าสูงนะหลายรูปมันยังไม่ได้มีการแยกว่าเนี่ยพระเมืองเป็นปริยัตนะพระปานี่ปฏิบัติไม่ได้แยกแยกเป็นขนาดนั้น อันนี้พูดถึงผู้ญหญิงใหญ่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชีอเห็นว่าผู้หญิงที่มีภูมิธรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะในเรื่องการปฏิบัติอันนี้ก็มีอยู่มาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วมาตินเนี่ยก็มาตินนี่แกก็ไปกำลังสืบสอบค้นคว้าคนอื่นอีกรวมทั้งแม่ชีที่ หลายคนช่วยเป็นพระอารหันตนะ์ก็นับว่าแกมีความเพียรพยายามมากแล้วก็มีความสามารถด้วยแลคนไทยไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าฝรั่งต้องอาศัยฝรั่งไงที่เขาไปไปสืบไปเจาะไปไปคน้นไปคว้านะซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามและเวลามากเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยบันทึกเอาไว้เรื่องพวกนี้แล้วก็คนที่ คนที่รู้ก็แก่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครรู้บ้างนะก็ต้องไปสุ่มเอาเรื่องผู้หญิงที่มีความรู้ทางธรรมนะทางปริญญารรและปฏิบัตินี่ทนะี่จริมก็มีมั้งแต่สถาันวุทยการแล้วนะเอตทักคะที่เป็นพิสุนีที่เป็นอุบาสิกาไปเยอะบางคนนี่เก่งกว่าอาจารย์เรื่งนะเองในสถาวิทยการนี่มี มีมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งเนี่ยพิสุกกลุ่มหนึ่งจะเดินทางจะมากราบพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาไม่ทั น, เ, นเป็นช่วงเข้าบรรษาเช่นก่อนก็เลยหยุดหาที่จำบรรษาตอนที่หยุดนั่นก็ไปไปหยุดที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อมามาติกะนะ หลองที่หาจรมันสานี่ก็มีโยมคนหนึ่งนะเป็นก็เรียกเป็นพวกนี้เป็นระดับเศรษฐีนนะอยู่ในเมืองนั่นชื่อมาติกะมาตานะมาตาก็แมนะ่ก็เห็นว่าพระเหล่านี้กําลังหาที่ที่จามรนสาก็เลยนิมนต์ตัวมาติกามาตาเนี่ไม่เคยไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องพระไม่รู้อะไรเลยนะคือดินแดนแถบนั้นเป็นดินแดนที่ไม่รู้จักพระ แต่ว่าด้วยความเมตตาแล้วก็เห็นว่าท่านสงบสำรวมก็นิมนต์ให้ท่านทั้งกลุ่มเลยนะมาจัรมาสาในบริเวณที่ของท่า น, นซึ่งคงจะอยู่ชันชานเมืองนะแล้วก็ปวารณาที่จะจัดหาอาหารมาถวายถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อ ได้รับนิ ม, มนต์ก็ตกลงว่าจะจำภาษาที่นั่นแล้วก็ตกลงกันว่าแยกย้ายกันไปปฏิบัติแยกย้ายกันไปปักกรดเนี่ยจะมาเจอกันก็ต่อเมื่อเป็นเวลาฉันรับบิณธบาสเมื่อรับเมื่อฉันใส่ก็แยกย้ายกันไปคนลทิศคลทางปฏิบัติเก็บตัวต่อเมื่อได้ยินเสียงระฆังนหรือว่าสัญญาเนี่ยถึงค่อยมานัดค่อยมาเจอกัน ไปมาที่ที่บริเวณ ล, ลานกว้างเนี่ยก็ตลอดธรรมศาตนั่นก็มาติกรร ม, มาตาก็าให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารมาถวายวันหนึ่งก็อยากจะมาเยี่ยมนะมาถึงเห็นไม่เจอใครเลยเงียบสงัดนะคนใช้ก็บอกต้องตีะระฆังตีะระฆังเสร็จก็มก็ <c oughs> มีพระมาจาก เดินออกมาจากทิศต่างๆคนละทิศคนละทางเลยนะมัติกามาตตาก็นึกว่าเนี่ยพระที่นี่สงสัยจะไม่ค่อยถูกกันนะก็เลยต่างคนต่างอยู่นะอันนี้คือไม่รู้ธรรมเนียมของพระนะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนใหม่มากแต่อสอบถามกันเลยได้ความวาออกพระที่ท่านแยกท่านไม่ได้ทะเลาะ ก, กันนะ สามัคคีกันดีพร้อมเพรียงกันดีแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติก็เลยแยกกันอยู่คนละทิศคนละทางนะมีกติกาว่าถ้าต่อเมื่อมีสัญญาณยังค่อยมาค่อยมาพบกันหรือค่อยมารวมกันอันนี้นามาติกามันเราก็เลยสนใจเอองั้นท่านปฏิบัติยังไงพระหลังากนั้นก็ต่อมาปฏิปฏิบัติด้วยวิธีการเจริญไกดขตาสติไกดขตาสติเป็นอย่างไรเนี่ย ท่านอธิบายว่อย่างที่เราเสวนาเมื่อสักครู่เกสาโลมาหนาคาทันตาตัจอคือพิจารณาสังขารพิจารณ์ร่างกายนี้ว่ามันประกอบไปด้วยท่าสามสิบสองนะพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นต้นเป็นก้อนนมันก็เป็นแค่ผลรวมของส่วนประกอบมันไม่มีตัวตนของมันเองนะมันก็มีแต่มันเกิดขึ้นมาจากการประกอบกันของสิ่งเล็กสิ่น้อย เอาวิาณสาสองแก้กระตาสตินี้จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ก, ก็ได้นะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามหรือจะพิจารณาหเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนนะมันเป็นเพียงแค่มันเกิดขึ้นจากส่วนประกอบ ต, ต่างๆมามารวมกันถ้าส่วนประกอบนั้นหายไปหรือว่าบกพร่องสร้านแดนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ อันนี้เรียกว่าเป็นเพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนของมันตางมติกามาตาสนใจก็เลยนะลองไปทำดูบ้างแล้วก็ตั้งใจทำนะบอกว่าทำได้ไม่นานนะก็เกิดปัญญานะเข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์บรรลุธรรมเป็นพระอนาคา ม, มีเลย บรรลุธรรมเป็นพระนาคามีแล้วก็มีอภินยาด้วยอภินยาก็ ก, ก็เลยเส่องนะไปดูไปดูไปรู้วรจิตของพระก็ไปดูแล้วก็พบว่าพระเหล่านั้นเนี่ยนะท่านก็ยังเป็นปุตุชนอยู่นะ อาจารย์ที่เป็นปุตุชนนะส่วนลูกศิษย์นี่ไปแล้วเป็นอนาคามีนล้วพาทั้งหสิบรุ่นนี่ยังยังทําความเพียรอยู่แต่ว่าอุบาสิกาท่านนี้ภูมิธรรมนี่สูงขึ้นกว่ากว่าพาทั้งปวงอันนี้พอรู้ว่าเป็นปุตุชนก็สงสัยว่าเอออะไรทําให้การปฏิบัติทไมท่านยังเป็นปุตุชนอยู่นะมีข้อขัดข้องอย่างไร ก็พูดแต่ละท่านตั้งใจปฏิบัตินะไม่ได้ไม่ได้ยอด่ยอย่อหย่อนในการปฏิบัติเลยก็พิจารณาดูไปดูไปก็พบว่าอ๋อที่การปฏิบัติไม่ก้าวหนะ้าเพราะว่าอาหารเนี่ยยังไม่พอเพียงนะอาหารนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะความตั้งใจยังไม่พอนะต้องอาหารก็ต้องพอเพียงด้วยก็เลยบอ่อยคนใชน้นำอาหารมาถวายเพิ่มมากขึ้นนะ แล้วก็ดูว่าใช้ก็อย่างรู้ดูวราระจิตของพระนะอยู่เป็นประจำขาดมนขาดน้เมื่อไหร่ก็เอามาถวายจนกระทั่งพระนี่รู้เลยนะว่ามาติกะมาตานี่น ะ, นะรู้วราระจิตของพวกต น, นออกบรรศาแล้วก็เลยนะก็เลยพอไปฝ้าพระเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พรเจ้าฟังนะตอนนี้ นางมาร์ติกามมาตานี่บรรลุธรรมขั้นสูงนะยังรู้ว่าละทิดว่าตัวต้องการอะไรส่วนพระเราเนี่ยทอดหลังเนี่ยหลืมบอกไปว่าเมื่อท่านได้ภาวนาเนี่ยแล้วก็ได้อาหารได้ได้บินทบาต ท, ที่อพอเพียงเนี่ยก็บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรม เ, เป็นพระอารหันต์นะก็เลยรู้ว่านางมติกามมาตานี่ก็เป็นอริยบุคคลเหมือนกัน แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้เจ้าฟังเรื่องนี้ก็เลยปรากฏอยู่ในพระไตรปิดกนะเพราะว่าก็ตอนหลังก็มีการเล่าสืบเนื่องกันมาอนะีกแต่ว่าทําให้มันสั้นลงก็เอาเท่านี้แหละที่ทชี่เห็นว่าบางทีลูกศิษย์นี่ก็ไปไกลกว่าอาจารย์นะหรือ ว, ว่าเครหอันธ์นี่ก็สามารถจะไปไกลกว่าพระได้ แล้วขณะดกันก็เชื่อเห็นว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอาหารนี่ก็สำคัญนะสัปป่ะย ะ, ะเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องสัปปายะเนี่ยสัปปะยะหมายถึงว่าสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติสัปปะยะนี่เป็นแปลพื่อการปฏิบัตินะแต่ว่าของไทยเราเรามาอาทิ์เราม า, า, ป า, มาแปลว่าสบายสัปปะยะคือสบาย สบายของไทยคือว่าสบายแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นแต่สัพเพยญในภาษาบาลีเนี่ยหมายความว่าเป็นเครื่องช่วยตัวช่วยในเรื่องการปฏิบัติสบายแล้วไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ใว่าสัพเยญานะอถ้า <c oughs> สัพเพยญาหนึ่งมันมีเจ็ดประการข้อหนึ่งคือเรื่องอาหารนี่นยอาหารนี่ก็สําคัญเวลาครูอาจ้านี์ไปเยี่ยมลุกศิษย์เนี่ย มีคาหนึ่งลูกสิษ์สามรูปเนี่ยไปเล่นแบบปฏิบัติเนี่ยมีพระอนุรุทธ์พระกินพิรักพรนันทิยะนะสามรูกนี้เอกทักคาทั้งนั้นนะแต่ตอนนี้นคงตอนนี้นคณยังไม่บรรลุ ธ, ธรรมขุเจ้าเสร็จไปเยี่ยมประโยชน์แรกที่ถามคือว่าพอไหวไหมบินทบาทพอไหมอยู่ยากไหม คือถามเรื่องความเป็นอยู่ทางทางทางกายกันโดยเพพาะเรื่องอาหารเนี่ยว่าพอไหมเพราะเรื่องห็นความสำคัญนะว่าการปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าจะมีความตั้งใจมีความเพียรอย่างไรแต่ถ้าอาหารนะไม่พอนะขาดแคลนนี่มันก็เป็นอุปสรรคการปฏิบัติได้นะพระพุทธเจ้าไม่ไม่ปฏิเสธเรื่องของวัตถุนะมันเกื้อกูล ตอนนี้เนี่ยถ้าเราในประเตยปลกจะมีเรื่องราวาเกี่ยวอย่างนี้แบบนี้เยอะเลยนะคือคนที่ดูเหมือนว่าน่าจะรู้น้อยกว่าเนี่ยแต่ว่ากลับมีภูมิธรรมสูงกว่าลูกศิษย์นี่สามารถจะรู้ธรรมก่อนอาจารย์หรือว่าคฤหัสถ์ผู้หญิงจะเป็นหรือผู้ชายเนี่ยก็มีภูมิธรรมได้สูงกว่าพระ หรือว่าเนนเนี่ยก็สามารถจ ะ, ะก็มีภูมิทําสูงกับพระได้อย่างในพระในพระตในพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งที่เก่งมากในเรื่องปริยัตยยิชื่อโปติละนะแต่ว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ผู้าจเวลาพบก็จะเรียกว่าพระไบลานเปล่าพระไบลานเปล่าตุโชปติละ พระรูนี้ก็แม่พเจ้าหมายถึงอะไรตอนหลังก็ได้รั้วเนี่ยเป็นพ่อตัวเองเนี่ยรู้แต่ปริยัตเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติที่พระเจ้าเนี่ยทวงพาะรูนแบบรูนนี้บ่อยก็เพราะว่าคือไม่ปฏิบัติไม่เท่าไหรน่นะแต่ว่าไปหลงตัวว่าตัวเองเก่งนะฉันแน่ฉันรู้เยอะนะคุณเจ้าก็เลยพูดว่าเลว่าพระใบลานปล่าตอนหลังเนี่ย พระท่านปทิละนี่ท่านก็เกิดความสำเนียกขึ้นมานะว่าเออใช่นะเรายังเรายังปฏิบัติน้อยเนะี่ยเรารู้มากแต่เราปฏิบัติน้อยจะต้องหาจะต้องเร่งปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วไปก็ต้องหาครูบาอาจารย์ภูจใจไปหาครูบาอาจารย์ ลูกไม่ได้สอนเองนะก็ให้โปรติล่าเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ในสำนักถ้าโปริล่านี่ก็ไปถามพระแกะ่ปัญหารูปแล้วรูปเล่าว่าจะสอนให้ท่านจะสอนท่านได้ไหมแต่แล้วลูกก็ปฏิเสธนะเพราะคงจะระอาโปริละเาเพราะเนื่องจากคงจะแสดงอิทธิฤทธิ์เอาไว้มากนะว่าหลงตัวว่ารู้มีความรู้เยอะ ก็ไม่มีใครรับที่จะเป็นอาจารย์รูปแล้วรูปแล้วรูปแล้วรูปแล้วจนกระทาั่งเหลือแต่เนยพาทั้งวันนี้ไม่เอาคนปติละเหลือแต่เนรเนร น, นี่มีภูมินํามสูงนะบรรลุธรรมเป็นพระลรหันก็ถามเนรว่าจะสอนให้ได้ไหมอันเนนก็ก็รู้นะว่าเนี่ยเตัวองเป็นเนนี่จะท่าจะสอนพระปติลาเนี่ย ก็ไม่รูออ้จะสอนได้หรือเปล่าก็เลยต้องพิสูจน์ว่าท่า น, นปุตติลานี่มีศรัทธาก็เลยให้ทดลองให้ไปสั่งให้ไปลุยน้ำนะท่า น, นปุตติลัก็ยอมนะไปลุยน้ําลุยโคลนจะทําอะไรก็ไปทำตงนั้ น, นเน่งก็เลยรู้ว่าอ๋อท่านปุตติลานี่ยอมลดทิฏฐิม า, น, าะนะแล้วนะก็เลยรับปากที่จสอนให้เพราะว่าสอนจนบรรลุธรรมนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ที่เห็นว่าคนที่เราดูเหมือนว่าเล็กน้อยต่าต้อยหรือว่าไม่ไม่มีความสามารถเนี่ยอย่าอย่าประมาทนะเพราะว่าอาจจะมีภูมิธรรมสูงกว่าก็ได้นะในพระไตรบิฎกจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะเพื่อที่จะไม่ให้คนเราซึ่งก็สามสามารถจะสอนใจว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดอยู่กับ รูปลักษณ์ที่เห็นหรือสนับสารภาพที่มีเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องแบบนี้ก็จะพบว่าเออคนเราแต่ละคนมีศักยภาพทั้งนั้นนะคบคนนี่อย่าไปอย่าไปดูที่หน้าหรือดูที่สถานะ เ, นเพราะว่าในใจเนี่ยอาจจะมีมีดีก็ได้แล้วคนสมัยนี้ก็ดูกันที่ ดูกันที่ดูกันที่หน้าตาดูกันที่เสื้อผ้านหน้าผมหรือว่าดูที่ตำแหน่งนะเป็นด็อกเตอร์ไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องใครๆก็เวลาจะมีแนะนำตัวก็ต้องมีชื่อด็อกเตอร์มีอะไรต่างมีการสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมานะสถานะ ดูกันที่ว่ามีตำแหน่งอะไรนะหรือว่าดูกันว่ามีรถกี่คันมีเงินเดือนเท่าไหร่ไปตัดสินกันกับคนไปตัดสินคนที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะในยุคที่ชอบตัดสินคนเงินที่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานภาพปริญญาด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเรื่องราวอย่าง เรื่องราวเหล่านี้นาพราะไตรวิฎกนี่มันสอนที่เราตระหนักว่าพวกนี้ไม่สำคัญแม้แต่เพศก็ไม่สำคัญอายุก็ไม่สำคัญอยู่ที่คุณธรรมข้างในมากกว่า